จิตใจนะั่นมันคุ้นเคยที่จะปรุงกิเลสมันก็ปรุงกิเลสมันคุ้นเคยจะปรุงกูศสนมันก็ปรุงกูศสนมันปรุงของมันเองตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญหาของนักปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นให้คอยดูต่อไปพอจิตใจมีความโกรธเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เริ่มเป็นปัญหาคือเราจะเริ่มเกิดความยินดียินร้ายเกิดความยินดะียินร้ายขึ้นมาเช่นรู้สึกเกลียดนางคนนี้มากเลยเกลียดมากกว่าเก่าอีกนะยิ่งคิดยิ่งแค้น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 จิตจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะจกนกระทั่งหมดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงนะเพราะงั้นการที่เรามีปัญญานะปัญญานี่เป็นตัวที่จะแก้ปัญหาถาวรนปนะัญญาสูงสุดเลยคือการเกิดอริยมรรคจะไม่มีกิเลสขึ้นมาอีกไม่มีความปรุงแต่งขึ้นมาอีกนะนอันนี้หมายถึงถ้าปฏิบัติสุดฉีดแล้วนะินถึงอรหัตมรรคผ่านไปแล้วเนี่ยจิตจะไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอีกแล้ว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 พอมันโลภแล้วใจเราอยากได้ดิ้นรนต้นก้าอยากได้อันน้้นอันนี้ให้รู้ทันเข้าไปนะหรือมันโกรธแล้วอยากหายโกรธให้รู้ทันความอยากหายโกรธถ้ารู้ไม่ทันใจจะดิน้นใจจะดิน้นแล้วใจจะทุกข์เอต้นนี้ก็ทำได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะดีแล้วมีสติมีสติรักษาใจไว้เป็นขณะขณะขณะไป จนใจเป็นกลางเพาใจเป็นกลางแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายอย่างเป็นกลางในที่สุดจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายเป็นของชั่วคราวต่อไปพอสภาวะปรากฏขึ้นมาสติระลึกรู้นี่จิตจะเป็นกลางอัตโนมัติเลยไม่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นใจไม่ทำงานนะไม่ทำงานการรู้สภาวะเนี่ยถ้ารู้แจ่มแจ้งถึงที่สุดนั่นเองเรียกว่ารู้ทุกเรียกว่ารู้ทุก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 ตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ตัวเราไม่มีนอกเหนือจากกายและใจนี้ด้วยตัวเราไม่มีในที่ใดๆมีแต่กายกใจทํางานของเขาอย่างอิสระแต่ละตั ว, แ ต, ตวแต่ละตัวเขาทํางานของเขาไปเีพระโสดาบัตก็เห็นเรื่องกายเรื่องใจพระเศกิฐาตาคาก็เห็นอย่างเดียวกันนี้แหละแต่สติเป็นไวนะสติเป็นไวอกูศลญยากลายเกิดไม่ได้แล้วแเขากิเลสไว้ตัววัดสติเห็นเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลย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 ให้ดูอาการของจิตใจนะจิตใจวิ่งไปทางตาก็รู้วิ่งไปทางหูก็รู้วิ่งไปทางใจก็รู้เ น, นี่ยดูจิตดูจิตก็ดูความรู้สึกอันนึงดูกิริยาอาการของจิตใจอีกอย่างหนึ่งถ้าดูความรู้สึกก็จะเห็นเลยความรู้สึกทั้งหลายไหลมาแล้วไหลไปผ่านมาแล้วผ่านไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปถ้าดูจิตดูใจเราจะเห็นว่าจิตนี้เกิดดับ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 ก็ใจสบายรู้ว่าสบายไม่กลับมาดูจิตดูใจได้ละเเรนั้นสมถะนะก็ทํำทําตามความจําเป็นแต่ทำทำมากแล้วก็ติดในความสงบเฉย ๆ, ๆไม่ยอมเดินปัญญานี้ใช้ไม่ได้เลยเนะสียโอกาสนะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ทั้งทีนะต้องเจริญปัญญาต้องทํำมิปัสนาสมถะนะ่นเป็นเรื่องง่ายาศาสนาอื่นเขาก็มีนะไม่ใช่ของลึกลับอะไรนะใครๆก็ทํากันเยอะแยะ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 เพาโยมมีมากมายจํานวนก็เยอะนะภาวนามาก็แปลกๆ ก, กันนะนี่หลวงพ่อต้องพูดแบบกลางๆเห็นกลางๆแบบมาจากสํานักไหนฟังแล้วได้หลักไปนะทาไปทําอย่างเดิมได้ทําได้นะใครเคยพุทธโธก็พุทธโธไปนะพุทธโธพุทธโธไปแล้วก็หัดสังเกตใจพุทธโธแล้วใจหนีไปก็รู้ใจสงบ ก, ก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้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 รู้เลยว่าความฝันจริงๆคือความชิดใช่ไหมหัดเจริญสติให้ชำน้ชํานาญนะทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะร่างกายก็นอนกนนลัวคลอกๆไปอยู่นั่นแหละแต่จิตใจของเราภาวนาของเราไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนแล้วทําไมมันจะไม่ได้ผลเร็วลนะ่ะเห็นไหมมันไม่ย่อหย่อนนะไม่ใช่ว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้เป็นเวลาปฏิบัติอีกสิชั่วโมงไม่ต้องปฏิบัติไม่มีคํานี้น ะ, นะรูปิดลงครอประโมทเนี่ยเจริญสติหลาคนบอกว่าของหลวงพ่อง่ายๆไม่มีรูปแบบ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 นิพพานอยู่ต่อหน้าตาเรานี่เองเมื่อไรใจของเราเข้าถึงสันติสุขหมดความอยากหมดความดิ้นรนหมดการทำงานเราจะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้านี้เองอแล้วเราจะมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ใช่ของหมดสมัยแล้วนะใครทําใครได้นะท<อ>ันนีพออีกโยมถามไม่ไม่มีไม่มีหนึ่งไม่มีสองอ <laughs>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 ปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นความเป็นอนัตตาในโลกภายในกายยาววานะคือกว้างสอเนี้คือทั้งกายและจิตนี้เป็นอนัตตาหรือความว่างจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างของโลกภายนอกอจั ก, กรวาลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ร่วนเป็นเพียงภาพมารยาลวงตาหลวงใจเท่านั้นทำทั้งหลายรุวนเป็นอนัตตาความว่างปราศจาตัวตนที่แท้จริง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 ยังมีการเลคลื่อนไปเคลื่อนมานะโยมใหม้ให้ไปรู้ทันตัวนี้นะหน่อยโยมรู้สึกไหมบางทีใจมันอยากพูดขึ้นมาเจ็นะจริวร้วๆขึ้นมาเราก็รู้ทันมันนะนใจแอบไปคิดเราก็รู้ทันมันเนี่ยขณะนี้ยแอบไปคิดให้รู้ทันมันนะคือถ้ามันเข้าถึงการเห็นอริยสัจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่มีการแยกเป็นสองส่วน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 ท่านบอเอออย่างนี้ใช้ได้ไปได้แล้วกราบปลาท่านลงมาเนีพระหนุ่มๆนั่นวิ่งตามมานะบอกว่าเนี่ยท่านสั่งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วเอาตัวไปให้ได้นะไม่รู้จักท่านนะไม่รู้จักท่านเลยท่านคงรู้สึกสงสารมันจะไปหลงนิพพานอยู่นิพานยังมีเข้ามีออกนะขอไปแทนโทษนะคะขออีกคำถามนึงค่ะค <c oughs> ือหลวงพ่อท่าน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 หลายคนมาบอกว่าหลวงพ่อปรามทสอนเรื่องอริยศาสตร์สอนสติปัฏฐานอะไรนี้ยากไปะยากไปขั้นต้นต้องหายใจท่านี้ก่อนเนีต้องเดินท่านี้ให้เป็นก่อนเลยนะแล้วพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หลวงพ่อจําจํามาสอนต่อเนี่ยนะท่านไม่ได้สอนว่าให้เดินยังไงให้นั่งยังไงให้หายใจยังไงกินข้าวมีกระบวนการยังไงอาบน้ํามีกระบวนการยังไงนะท่านไม่ได้สอน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 หลวงพอคําเขียนแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเล่าไปแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มนะบอกว่าโอ้อาจารย์ตมวดสอนเจริญสติดีนะี้คนไม่ค่อยพูดเรื่องเจริญสติตนอนน้นผมไปเทศที่สวนลุมพินีมีคนมาว่าผมอะไรก็สติอะไรก็สติทําไมไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาะท่านก็ยิ้มยิ้มบอกก็ถูกของเขาเหมือนกัน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 เพราะฉะั้นมันแก้ปัหาเฉพาะหน้านได้สมถะได้ความสงบคือใจเราไม่โมโ oh หแต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยฉีดมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจะเห็นในโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีเราในโทสะนะไม่มีสิอนุสัยเนี่ยมันเกิดจากอนุสัย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 S <S <an> เดี๋ยววันหนึ่งเห็นอะไรที่มันน่ากลัวนะไม่ดีแต่ถ้าเห็นอะไรน่ากลัวนะให้ย้อนดูจิตตัวเองนะให้ย้อนดูที่ความกลัวส่วนเรานั่งภาวนาอยู่แล้วผีโผล่ขึ้นมาข้างหน้าเราเนี่ยนะอย่าดูที่ผีนะไม่ต้องไปพิจเจรนาผีนะให้ย้อนมาดูเลยใจมันกลัวถ้าเราย้อนมาดูที่ใจนะความกลัวดับทับเนะั้นะเราส่งจิตลับออกไปดูถ้าเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมามันหายไปล้แต่ถ้าเป็นผีตัวจริงส่งไปกลจังเะเอได้อีกนะ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 รู้มันจะรู้ไหมว่าเรามีสติมาจับอะไรตอนไหนยังไงครับคือถ้ า, ถ, าถ้าเคยฝึกจนกระทั่งจิตจําสภาวะได้นะสติถึงจะเกิดอยู่ๆสติไม่เกิดหรอกต้องหัดรู้จักสภาวะนะหัดดูใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี้ยตอนนี้ใจหนีไปแนละ้วรู้สึกไหมใจไหลแป๊บ ๆ, ๆไ ป, ๆไปนะถ้าหัดรู้จกักจะต่องรู้จักหนีไปคิดไหมนะถ้าใจหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะฝึกแค่นั้นก็พอละ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 ลูกน้องเคยแยกเคี่ยวใส่ลูกค้านะมันเริ่มมีความสุขนะมีความสุขเที่จะค้าขายลูกค้ามานะยิ้มแย้มนะบวันนี้ออเดอร์เข้าเคียบเลยทำให้ทันเนี <Okay. S 1> ่อยู่ที่ใจเราเองนะใจเราพัฒนาใจของเราให้ดีก่อนคนรับรับตัวมีความสุขขึ้นนะแล้วก็ไปดำารงชีวิตด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีศีลธรรมชีวิตก็จะดีขึ้นนี่เป็นพรทีใหม่นะพรที่ต้องทาเอาเอง พรที่บอกให้ดีโชคดีดำเนินพรหลอกเด็กอ่ะพอ